เรื่องภิกษุและภิกษุณีหลายรูป181สมัยนั้นพวกภิกษุและพวกภิกษุณีหลายรูปจะเดินทางไกลจากเมืองสาเกตไปกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีเหล่านั้นได้กล่าวกับภิกษุเหล่านั้นดังนี้ว่าผู้ดิฉันจะขอเดินทางไปกับพระคุณเจ้าทั้งหลายภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าน้องหญิงทั้งหลายการชักชวนกระเดินทางไกลร่วมกันกับภิกษุณีไม่สมควรพวกเธอจักไปก่อนหรือพวกเราจักไปก่อน ภิกษุณีทั้งหลายตอบว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายเป็นบุรุษผู้ลำเลิศนิมนต์ล่วงหน้าไปก่อนเถิดเจ้าข้าครั้งนั้นเมื่อภิกษุณีเหล่านั้นเดินทางไปภายหลังพวกโจรจึงปล้นและทำร้ายในระหว่างทางที่นั้นครั้นภิกษุณีเหล่านั้นเดินทางถึงกรุงสาวัตถีจึงบอกเรื่องนั้นแก่ภิกษุณีทั้งหลายภิกษุณีเหล่านั้นจึงบอกเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปกล่าบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ